เพราะนั้นต้องฝังเอาไว้แต่ทําความชั่วของอื่นเขาก็รับกรรมของเข า, เากรรมชั่วของเขา เ, าเราไม่ควรจะไปแบกคนโบราณบอก เ, อาเขาทําดีแล้วทาชั่วก็ตาม เ, าเขาทําดีและทําชั่วก็ตามาถ้าเขา เ, าเขาทําดีคาชั่ว เราจะไปสอดเข้าไปาเขาหาหมูกดโบราณเขาให้คาพังเพยนะ เ, เขาหาหมูอย่าเอาไม้ไปสอดคนโบราณเขาสอนคร้ายๆว่าเขากําลังได้ดีตัวเองอย่าไปสอดเขาอย่าเอาไม้ไปสอดอแล้วก็พูดได้สองประเด็นเหมือนกันนะ เมื่อเขาทำดีอย่าเอาไม้ไปสอดใอรว่าเขาหามหมูอย่าเอาไม้ไปสอดใครกล้เาเลยทำท่าจะไปหามช่วยกับเขาด้วยลักษณะอย่างนั้นถ้าอีกมุมอีกมุมหนึ่งถ้าเขาไปขโมยหมูมาใชอไปขโมยหมูชาวบ้านมามันผิดกฎหมายใช่หถ้าเราเอาไม้ไปสอดเราก็ผิดกฎหมายไปด้วยเหมือนกันมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะถ้าเ่าเป็นหมู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 อย่างหลักพระธรรมวินัยเนี่ยพรมาทำวินัยของพระพุทธเจ้าน่ยพระวินัยเนี่ยคือกฎระเบียบที่ห้ามพภิกษุธรรมความผิดพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยในศินพระปฏิโมกเนี่ยวันนี้แหละจะสวดแหละ ว, วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระเลยนะวันนี้ตอนเที่ยงนะพระสงฆ์ทั้งหลายในยวัดเราอย่าลืมตอนเที่ยงแล้วก็ลงอุโบสถละ ว, วันเนี้เมื่อวานเนี่ยเป็นวันพระ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 เราก็ว่าตามผิดไปซะองค์ที่มันผิด เ, เราจะไปน้อยเนื้อต่ำใจว่าทาไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาทาไมจึงทาความชั่วช้าเสียหายแต่ตามไม่จริงหน้าตำหนีไหมก็น่าตำหนิพอหน้าตำหน้เสร็จแล้วให้ย้อนมาหาตัวเองบ้างหลวงพ่อบอกนะให้พวกเราย้อนมาหาตัวเองบ้าง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 ความเป็นมาและความเป็นไปเพราะเหตุไรมันมีเหตุอะไรจรึงเป็นอย่างนั้นมันมีเหตุทำไมแตก่อนมันต้องค่อยมีผลเพราะนั้นเราจรึงมองเหตุมองผลมองเหตุก็คืออะไรเหตุมันมีกิเลสมันคนที่มีกิเลสมันทำความชั่วในทุกอย่างนั่นแหะเพราะมันมีกิเลสถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คงจะไม่ทำเพราะท่านเป็นเหตุท่านหมดเหตุท่านเป็นพระอรหันต์ท่านคงไม่ทา ถ้าเหตุมันยังมีกิเลสอยู่น่มันต้องทำละ่ะเพราะนั้นในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะถ้าหาว่าใจของเรายังมีกิเลสอยู่นั่นอีกสักวันหนึ่งนะ่ะให้พวกเราเระวังกันแล้วกันของใครของเราเออเพอเออาจจะมากกว่าเขาก็ได้อาจจะไปติดคุกติดตารางก็ได้ก็เออเพราะว่ากิเลสภายในใจของเรายังมีอยู่อาจจะเะผลอผลทาเผลอไลทาความชั่วเสียหายเกิดขึ้นมาได้ง่าย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 คณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานผู้จะก็สูงกว่าตะเก่าปีเนี่ยทำไมพอหลวงพ่ออินแกออ่อายุหลวงพ่อเจ็ดสิบปีแล้วขึ้นเขาแล้วค่อยๆ ย, ย, ย่องขึ้นเออพอขึ้นไปเรือมันจะหยุดหายใจมันจหยุดเอาได้ง่ายๆเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยค่อยปีนขึ้นเขาปขีนึ่งถึงศาลาใหญ่ออพอเสร็จแล้วก็ขึ้นไปพักจากช่วงระยะหนึ่ง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 ที่หลวงพ่อเคยอยู่ภูเจา็ออมายังไงในสมัยหลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงปู่ล่าหลวงพ่อก็จับมาพูดให้พวกคณะสัต ย, ย, ย, ยาธิยญาติโยมพวกน้องๆทั้งหลายได้ฟังแต่ละยกมันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมสมัยหลวงปู่ล่าอดอยากอท่านอยู่อย่งไงท่านมาอยู่ด้วยความอดอยากของท่านะหลวงพ่ออยู่สมัยอดอยากะอดจริงๆอดอยากจริงๆะ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 แต่ท่านเทศก็เป็นห น, น้าฟังของท่านนะมีแต่สอนนะโดยมากอผู้ที่ฟังได้แล้วก็อคงจะเข็ดนะบางคนก็เข้าวัดเลยก็มีนะบางคนเข้าวัดก็หลีเพราะหลวงปู่สอนแต่หลวงพบหลวงปูนะ่ให้คำให้คำอะไรมาขอเลขเขก์หัวพระไม่ใช่ธรรมดานะไ้พวกที่มาขอเลขในเขกหัวพระนี่แหละ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 เค า, ารพเขาคาระวะในครูบาอาจารย์อนันนี้หลวงปูล่ลาท่านก็อวันท่านมรณภาพวันที่สิบแปดวันที่สิบแปดมกราหลวงปู่จามมรณภาพวันที่สิบเก้ามกราเอากเอกคนละวันกันติดกันเลยนะ <c oughs> นี่แหละเมื่อวานในหลวงพ่อเสร็จแ ล, ล้วหลวงพ่อก็กลับมาวัดนี่แหละ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 ทั้งทางรับที่แจ้งอีกต่างหากมองดูแลเออข้าไปเจ้าก็ไม่บริสุทธิ์มัอนกันวะเออบริสุทธิก็เลยไม่มีใครที่จะเวียงค้อนก้อนดินใส่ผู้หญิงคนนั้นนะจากนั้นไม่มีใครเอาปล่อยพ อ, อปล่อยเอออยท่านั้นละโอผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็คงจะยังไม่หยุดวิ่งอยู่มั้งเดี๋ยวนี้นพนน้นหนีตายฮะ อ, อ, อันนี้หลวงป่อ